เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์แสวงหาพระโพธิญาณก็ได้ทรงมือวิตกทั้งสองอย่างนี้บังเกิดขึ้นในจิตใจวิธีที่ทรงแบ่งให้เป็นสองส่วนนั้นก็คือ เมื่ออากุศ ล, ล ว, วิตกความตึกนึกคิดอันเป็นอากุศลข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นก็ทรงกำหนดรู้ว่าความตึกนึกคิดข้อนี้บังเกิดขึ้น เป็นความตึกนึกคิดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นบ้างเป็นฝ่ายที่ทําให้ขับแค้นดับปัญญา ไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์เมื่อได้ทรงกำหนดรู้ดังนี้อกุศลนวิตตกความตึกเมื่อคิดที่เป็นอกุศลอันบังเกิดขึ้นก็ดับหายไป จึงได้ทรงทราบถึงธรรมชาติของจิตใจว่าอันจิตใจนี้หากว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองไป ในทางกามมากก็ย่อมจะละในคำ ม, มวิตกคือความตรึกไปในทางออกจากกามที่ตรงกันข้ามแต่จะตรึกนึกคิด ตรองไปในทางกามมากหรือว่าตรึกตรองในทางพยาบาทมากก็จะละความตรึกตรองที่ตรงกันข้ามที่เป็นไปในทางเมตตากรุณา แต่จะตรึกตรองไปในทางพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายมากหรือว่าเมื่อตรึกตรองไปในทางเบียดเบียนมากก็จะละความตรึกตรองที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามในทางไม่เบียดเบียน ในทางเกื้อกูลแต่ว่าตรึกตรองไปในทางเบียดเบียนมากเพราะว่าความน้อมไปของจิตใจคือความนึกคิดตรึกตรองนี้ ย่อมเป็นไปตามทางที่จิตคิดนึกตรึกตรองมากนั้นเองเมื่อคิดนึกตรึกตรองไปในทางใดมากก็น้อมไปในทางนั้นมาก เป็นธรรมดาของจิตใจแต่ว่าพระพุทธองค์เมื่อก่อนตรัสรู้ยังทรงเป็นประโพติสัตดังกล่าวนั้นได้ทรงพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายดังกล่าว จึงทรงคอยปฏิบัติห้ามปรามจิตใจมีให้คิดนึกตรึกตรองไป ใ, ในทางอากุศลุพิตกทั้งหลายทรงให้อุปมาไว้เหมือนอย่างว่านายโคบานคือคนเลี้ยงโคที่ ตอนฝูงโคไปเลี้ยงในระดูที่ชาวนาเขาทำนาเข้ากล้ากำลังขึ้นอยู่เต็มนาเมื่อฝูงวัวผ่านนานั้นไป หวงัวก็ย่อมจะต้องหันซ้ายหันขวากินข้าวกลาก้าของชาวนาที่กำลังออกรวงอยู่นายโคบานกิงต้องชชยไม้คอยตีคอยต้อนวัวทั้งหลาย ไม่ให้กินข้าวของชาวนาในนาแต่ให้เดินผ่านไปเพราะเกรงต่อภัยว่าจะถูกชาวนาทำโทษต่างๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนอย่างในโคบาน ผูเลี้ยงรักษาโคคือจิตของพระองค์เมื่อจิตของพระองค์เลี้ยวขวาเลียวซ้ายเลี้ยวขวาไปในทางอากุศลนวิตตกต่างๆที่เป็นกามบ้างเป็นพยาบาทบ้างเป็นเบียดเป็นบ้างจึงได้ทรงคอยห้ามปรามจิตของพระองค์ โดยวิธีอย่างเบาบ้างอย่างแรงบ้างเหมือนอย่างชาวนาที่้อนโคให้เดินผ่านไปไม่กินข้าวของชาวนาโดยวิธีเพียงแต่ร้องใช้เสียงถ้าไม่ฟังก็ต้องใช้ไม้หวดตีขับไล่ ตอนเมื่อให้โคกินข้าวของชาวนาให้เกิดความเสียหายพระองค์ก็ใช้วิธีควบคุมจิตของพระองค์เช่นนั้นอย่างเบาบ้างอย่างแรงบ้างอย่างเบาก็เป็นการห้ามรุจสติเฉยๆอย่างแรงก็ต้องมีการขนาบจิตของตัวเองปรับ ปรามจิตของตัวเองไม่ให้คิดไปในอกุศลนูบิตตกทั้งหลายแต่ว่าส่งจิตของพระองค์ให้คิดไปในทางกุศลโนบิตตกทั้งหลายอันตรงกันข้ามคือแน่ขำมมบิตกความตรึกนึกคิดไปในทางออก ออกจากกรรมออกด้วยใจออกด้วยกายเพราะพระองค์ก็ได้ทรงออกแล้วด้วยทรงสละปราสาทราชวังและ ทรงสละบุคคลซึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่รักพร้อมขักทรัพย์เห็นทั้งสิ้นออกบดที่เรียกว่าสเสด็จออกมหาพิเนศกรมเพราะฉะนั้นเมื่อกายออกมาแล้วจิตยังไม่ออก ยังกลับไปผัวพันอยู่ในทางการบ้างทางพยาบาทบ้างทางเบียดเบียนบ้างจึงทรงปราบจิตของพระองค์ทรงห้ามจิตของพระองค์ด้วยวิธีที่เบาบ้างโดวยวิธีที่แรงบ้างเพื่อให้จิตละเสียซึ่ง ความนึกคิดตรึกตรองไปในทางองุูลทั้งหลายให้จิตออกอันเนคขมะคือความออกนี้ท่านแสดงว่าแม้ศีลก็เป็นเนคขมะอย่างหนึ่งเป็นอันเป็นการออกจากกามอย่างหยาบสมาธิก็เป็นเนคขมะอย่างหนึ่ง เป็นการออกจากกามทางจิตใจเพราะว่าจิตที่จะเป็นสมาธินั้นต้องเป็นจิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงจะเป็นจึงจะเป็นสมาธิได้ปัญญาก็เป็นการออกจากกามที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราละเสียได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ทุกคนปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตไม่ว่าจะเป็นคึ่หัดตามควรแก่ฐานะภาวะของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อก่อนจะตรัสรู้ก็ทรงทรงจิตของพระองค์ให้เป็นเนคมํมมะคือให้ออกแม่เมื่อพระกายออกแล้ว หากจิตยังไม่ออกก็ต้องคอยปรามให้จิตออกม่ให้กลับผัวพันไปในทางกามในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนทั้งหลายดังนี้เมื่อเป็นดังนี้จึงได้ทรงมีวิตกวิจารณความตรึกนึกคิดความตรอง ไปในทางกุศลทั้งหลายคือในทางที่เรียกว่าเนคัมมะคือออกในทางที่ไม่พยาบาทคือมีเมตตากรุณาในทางที่ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลก็เป็นธรรมดาของจิตใจ อีกเหมือนกันเมื่อน้อมไปในทางใดมากจิตก็ย่อมจะตรึกตรองไปในทางนั้นได้มากและความตรึกตรองไปในทางใดมากก็คือน้อมไปในทางนั้นมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อตรึกตรองไปในทางเนคขมะคือออก ในทางไม่พยายามบัตรคือประกอบด้วยเมตตากรุณาในทางไม่เบีดเบียนคือประกอบด้วยความเกื่อกูลอนุเคราะห์ต่างๆจิตจึงละความตรึกตรองที่ตรงกันข้ามได้ไปโดยสะดวกเองคือละการโมบิตกได้ละพยาบามตรวิตกได้ละวิหิงสาววิตกได้ แต่ว่าตรึกตรองไปในทางที่เป็นกุศลอันตรงกันข้ามได้มากจิดน้อมไปได้มากแล้วก็น้อมไปเองได้โดยลำดับความน้อมของจิตไปในทางใดย่อมเป็นไปตามความตรึกตรองของจิตนี้เองไปในทางนั้นมาก และความตรึกตรองของจิตนี้เองไปในทางใดมากก็ทําจิตนี้เองให้น้อมไปในทางนั้นได้มากและทาให้น้อมไปได้เองโดยลําดับโดยไม่ลําบากเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรึกตรองไปในทางกุศลมากจิตน้อมไปในทางกุศลมากจึงได้ทรงรู้ขึ้นในพระองค์เองว่า แม้ว่าพระองค์จะตรึกตรองในทางกุศลอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีภยัยไม่มีอันตรายทรงตรึกตรองไปได้และจิตก็น้อมไปเพื่อจะตรึกตรองไปในทางกุศลดังกล่าวนั้นได้เองด้วย แต่ว่าก็ทรงรู้ขึ้นว่าเมื่อมีวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองนานเกินไปจิตก็ย่อมฟุง้งซ่านไม่ตั้งมันเป็นสมาธิ เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงละความตรึกความตรองแม้ที่เป็นกุศล น, นั่นแต่ทรงนำจิตมาตั้งสงบอยู่ในภายในตั้งจิตให้สงบอยู่ในภายใน ไม่ตรึกไม่ตรองถึงอะไรเหมือนยังสงบนั่งสงบอยู่ในภายในทรงกำหนดจิตอยู่เพียงให้รู้อยู่อย่างเดียว โดยที่ไม่กังวลเพราะวิตกวิจาร์ไปอย่างไรทั้งสิ้นให้รู้อยู่และทรงกำหนดอยู่ที่ตัวความรู้อยู่ที่เป็นภายในนี้อยู่เพียงอันเดียว ซึ่งได้ทรงให้อุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าในโคบานนั่นแหละที่ตอนโคไปเลี้ยงในระดูที่หลังจากชาวนาได้เก็บเกี่ยวแล้วไม่ต้องคอยระแวดระวังฝูงโคว่าจะไปกินข้าวในนาของชาวนาน เพราะเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไม่ต้องกังวลจึงได้ปล่อยโคให้ยืนกินหญ้าอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามสบายส่วนโตส่วนตัวของนายโคบานนั่นเอง กอ น, นั่งพักอยู่ที่โคนไม้อันร่มเย็นทำความรู้อยู่เพียงว่าโคอยู่ที่นั่นเท่านั้นแต่ไม่ต้องไปคอยกังวลที่จะต้องขับไล่ห้ามปราบฝูงโค ว, ว่าจะไปกินข้าวของเขาดังกล่าวมานั้นฉันใดก็ดี พระองค์ทรงหยุดวิตกวิจาร์แม้ที่เป็นกุศลสงบอยู่ในภายในคือตั้งจิตสงบอยู่ในภายในทำความรู้อยู่เพียงเพียงว่าธรรมะเหล่านี้มีอยู่มีอยู่ในภายใน ธรรมะเหล่านี้ก็คือตัวความรู้นี่เองรู้อยู่ในภายในดังนี้นี่เป็นวิธีที่สงสอนการปฏิบัติธรรมสมาธิหรือเรียกว่าสอนกรรมฐานด้วยพระองค์เองโดยทรงยกเอา การปฏิบัติของพระองค์เองที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนตรัสรู้และทรงได้อาศัยวิธีปฏิบัติดังกล่าวนี้เองจึงได้ทรงจึงทรงได้สมาธิได้ปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นการปฏิบัติดังนี้ ยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ภูปฏิบัติธรรมะจะพึงถือเป็นหลักปฏิบัติแม่ติปธานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเบื้องต้นนั้นก็ปฏิบัติไปตามประที่ทรงสอนอาณาปานาปปะ ข้อว่าด้วยกะด้วยลมให้ใจเข้าออกตั้งสตริกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกปัปพาต่อมาก็ส่งสอนให้กำหนดอิริยาบทยืนเดินนั่งนอน ปพร ะ, พะตอมาอีกก็ตรัสสอนให้กำหนดทำความรู้ตัวในอิธิยาบทน้อยที่ย่อยจากอิธิยาบทใหญ่ทั้งสี่นั้นละเอียดไปอีกซึ่งในการปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยวิตกตรึกวิจารตรองนั่นเองตรึกก็คือว่า นึกอันได้ก็กาหนดกําหนดให้รู้ลมให้ใจเข้าลมให้รู้ลมให้ใจออกกําหนดให้รู้อิริยาบถยืนเดินยืนเดินนั่งนอนกําหนดให้รู้อิริยาบถ ท, ที่ปลิกย่อยออกไปจากอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นี้ ก็คือตัวสตินั่นเองแต่ว่าในที่นี้เรียกแยกออกไปว่าวิตกวิจารหรือตรองก็คือสตินั่นเองเป็นการปฏิบัติที่หัดน้อมจิตเข้ามากำหนด ตรึกตรองอยู่ในลมหายใจเขาออกในอิดิยาบดเพื่อมีให้จิตน้อมไปในเรื่องอื่นอันเป็นฝ่ายอากุศลที่เรียกว่าอากุศลวิตก เราว่าถ้าปล่อยจิตไว้ไม่มายึดในกรรมฐานดังกล่าวจิตก็ย่อมจะเหมือนอย่างฝูงโคที่เดินไปในนาที่ระพั่งไปได้เข้ากล่าก็ย่อมจะเหลียวซ้ายเหลียวขวา เดินซ้ายเดินขวากินข้าวกล่าวของชาวนาขันใดก็ดีจิตนี้ก็จะคิดไปในทางอากุศล น, นวิตตกต่างๆเป็นกรารมาวิตกบ้างพยาบาทบ้างวิหิงสาบบ้างดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเบื้องตน้น จึงต้องหัดน้อมจิตมาในทางกุศลโนวิตต ก, ก็คือทำให้ใจเข้าออกกำหนดอิริยาบถอันนับว่าเป็นกุศลอนวิตตเป็นการหัดจิตให้น้อมมาในทางกุศลโนิตตแต่ว่าในทีแรกนั้นยากที่จิตจะน้อมมาได้ก็เหมือนอย่างที่โคเดินไปในระหว่างเข้ากล้าสองข้างในนา ที่จะห้ามไม่ให้โคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากินข้าวของชาวนานั้นยากโคบานคือผู้ปฏิบัติจึงต้องปราบจิตของตัวเองซึ่งเหมือนอย่างโคดังกล่าวนั้นไม่ให้เลี้ยวควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขว า, เ, ว เ, วขวาเดินซ้ายเดินขวากินข้าวของชาวนานคือไม่ให้จิต นอมคือซั์สายเปในทางอากุศลลบิตกทั้งหลายในการปราบจิตนั่นก็จะต้องใช้วิธีที่เบาบ้างวิธีที่แรงบ้างจะต้องใช้ไม้จะจิตก็ต้องใช้ไม้ตีจิตอันหมายความว่าจะต้องดุจะต้องวาดจะต้องปราบจิตของตัวเองให้แรงขึ้นจิตก็เหมือนโค เมื่อพรามให้ถึงที่แล้วจิตก็จะละได้ซึ่งอกุศลวิโตกทั้งหลายเหมือนอย่างฝูงโคที่ถูกนายโคบาลหดเอาแรงๆเข้าก็จะต้องวิ่งกะเลิดไปไม่กล้าที่จะกินข้าวของชาวนาเขาได้จิตก็เช่นเดียวกันต้องหดเข้าไปให้แรงๆจิตจิตใจของตัวเองคือว่าแนะนนำตักเตือนอบรมจิตต้องตัวเอง ให้มากแล้วเจงก็จะหยุดได้จากความคิดที่เป็นอกุศลวิตกทั้งหลายหัดให้น้อมมาคือให้ตรึกตรองในกุศลวิตกก็คือในลมหายใจในอิริยาบทเป็นต้นดังที่ตรัสแสดงไว้ในสติปัฏฐานนี้ทุกข้อทุกบทข้อใดบทหนึ่งบทใดก็ได้และเมื่อหัด ให้น้อมจิตมาอยู่เสมอดังนี้แล้วความน้อมของจิตก็จะเป็นมาก็จะเป็นไปเองคือจะน้อมเข้ามาเองได้ง่ายขึ้นจนถึงน้อมมาอยู่ตัวและเมื่อน้อมมาอยู่ตัวแล้วการปฏิบัติทำสมาธิก็ง่ายขึ้นแปลว่าจิตจะไม่น้อมไปในทางอากุศล แต่จะน้อมมาทางกุศลได้ง่ายขึ้นได้ถนัดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วภาระในการที่จะต้องวิตกวิจาร์ในลมให้ใจเขาออกในอิริยาบทเป็นต้นก็ลดลงไม่จำเป็นต้องใช้วิตกวิจาร์ทำจิตให้นั่งสงบอยู่ในภายในทำความรู้อยู่แต่เพียงว่าทำเหล่านี้มีอยู่ ลมให้ใจมีอยู่มีอยู่ที่ใจใจที่รู้อริยาบทมีอยู่มีอยู่ที่ใจใจที่รู้ไม่ต้องไปตรึกตรองกำหนดในลมให้ใจนี้อิริยาบทที่เป็นภายนอกกำหนดดูที่ใจใจที่เป็นตัวรู้รู้อยู่ดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ ลมให้ใจก็ดีอี้ยาบทก็ดีข้ออื่นก็ดีก็มารวมเป็นตัวธรรมะคือธรรมารมนั้นเองตั้งอยู่ในจิตเพียงอันเดียวจิตก็อยู่ที่นี่เวทนาก็อยู่ที่นี่กายทั้งหมดก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมก็รวมอยู่ที่ในจิตที่เป็นตัวรู้รู้ที่อยู่กับธรรมะคือธรรมารมในจิตนี้เองเท่านั้น ดังนี้ก็จะได้สมาธิได้สติประทานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดตั้งใจทางความสงบสุขต่อไป